วันนี้ประานลูกศิษย์ลูกหาได้ยกยอหลวตาให้เป็นประธานในงานนี่หลวงตาอุตส่า์ตะเกียร์ตะการว่าแยกพี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องความเก็บไข้ในป่วยคือโรคพยาบาลจาเป็นจะต้องริ่งกับหาหมอไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงสุภาพรัสูงต่ำประการได้เพื่อมีความเกยบไข้ในป่วยแล้วจะต้องวิ่กับหาหมอด้วยกันนั่นแหละวันนี้หมอต้น เรื่องโรงพยาบาลจึงเป็นความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะเชื่อเชิดทางตลาดในว่าเห็นประจักษ์ตาประจกักษ์ใจว่าใครเจ็บใครจะป่วยประการใดจะหนีจากหมอจากยาจากโรงพยาบาลนี้ไม่ได้เพระนัขอขอขอขอ้นขอความกรุณาให้ทาสตาดมีความเมตตาสงสารเมตตาาเกี่ยวกับเรื่องหมอเรื่องพยาบาลอยู่ยาหากาดรตรงบุฟ้องอะไรกันก็ให้ให้อภัยซึ่งกันและกัน เขบอกเป็นคนรับท้ายพยาบาลเป็นคนรับท้ายของคนไข้ก่อนนั้นคนไข้เป็นคนผู้เยียมราจมากที่สุดแล้วเรียกหากาให้ได้การเรียกขาหมูให้ได้หมูเรียกขาหมาให้ได้หมาแต่ว่าเรียกขาเทวดาเทวดาจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นทราบต่อนี้ดวงตาไว้รับรองกนรูดาพิจาราอย่างนี้นะวันนี้ไม่ได้พูดอะไรบ้างนักเล่าพูดเชิงเชิานี้ สรุปความก็แล้วว่าโรคพยาบาลเป็นความจําเป็นของเราคนเราทุกๆุกท่านทีเดียวเวลาเจ็บไข้ได้ปวดจะวิ่งก็หาหมอหาอยู่หายาหาพยาบาลเพราตอนเกิดขอยพากันตั้งอกตั้งใจมีความเมตตาชั้นเยียวยอแผลปีอะไรต่อโรคพยาบาลก็ปวดใจเสียสละก็ให้เสียสละสก่งกันเวลา ก็คนไข้เขาว่าหาหมอก็ายาทำหน้าบึ่งหน้าเบี้ยวใส่เขามาอะไรนี่ละ <laughs> คนจะตายอยู่แล้วนี่ละคนไข่มรรจุวจะตายยังไม่ได้สิทธจอคนดีๆแล้วว่าจะตายอยู่แล้วอยาได้พูดออกว่าคนไข้เราเจ็บมากเกี่ยวกว่าจะคนตรายวันนี้่าแสดงน้ำใจให้เห็นใจเขาคนไข้คนไข้ก็ควรจะเห็นใจของหมอ ใครบาเป็นอะไรรนะ้าเป็นอะไรอาแสปวดแสบร้อนที่เท่าไหน่ทางมือกับลูกกับเขาวิเคราม อ, อดีรออดจากการดการระหว่างหมอและพยาบาลกับคนไข้ด้วยความเมตตาซึ่งการดการคนไข้เวลาหายจากอยู่จากยานแล้วกลับไปบา้านไปเลี้ยก็ชิดแต่บุญเท่คุณของหมอของพยาบาลตลอดวันตายทีเดียวสองประการนี้ลืมกันมไม่ด้หมอก็ว เป็นรีบคุณของคนไข้คนไข้ก็เวรอกหรือคุณของโรงพยาบาลตาคนจางสายซึ่กันและกันและต่อไปอนีน้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความระลึกถึงความต้องการของโรงพยาบาลด้วยทุกๆุท่านนะเจ็บไข้ในป่วยต้องวิ่งเข้าหมอหมอก็จําเป็นจะต้องได้ดูแลรักษาดีละเป็นความจำเป็นด้วยการให้อาลูกอารลอยเห็นอกเห็นใจซึ่กันและกัน เรเกี่ยวข่าจะป่วยเวทสุรักมันก็มีเยวัตประดุษเราเลยมันจะเป็นจะต้องอาสายซึ่งการตลอดไปและต่อไปนี้ขอขอสวัสดีจงมีแก้วราผีร้องทลายโดยทั่วกันเทอา